คนอื่นก็ยิ่งได้ยินยังนั้นควมชั่วยิ่งปกปิดยิ่งรั่วลดออกมาให้คนฟังดังนั้นพวกเรามาที่นี่อย่าแสดงควมชั่วแต่คนไม่รู้จักควมชั่วคนจะเอาความชั่วมาแสดงเมื่อไม่รู้จักว่าสิ่งนี้ควมชั่วเราก็ต้องพูดไปนึกว่ามันเป็นองของดี<ม>นย่าองนะอันควมทุกข์ก็เช่นเดียวกัน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 เพราะมันมีลมพัดอยู่เสมอดังนั้นการปกติกายปกติวาจากปกติใจอันนั้นแหละที่ว่าเป็นสมบัติของมนุษย์จึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติไม่ใช่เป็นสมบัติของปุถุชนไม่ใช่เป็นสมบัติของสัตว์เลือดสานไม่ใช่เป็นสมบัติของเปะมันเป็นสมบัติของมนุษย์มนุษย์จึงแปลว่าผู้จิตใจสูง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 มนุษย์เป็นอะอินทพระพมก็ได้คนใดเห็นนะกาลังเขาทำเขาพูดเขาคิดเู้เขาไม่รู้เขาจึงทำเขาจึงพูดอย่างนั้นก็มีความสงสารเมตตาให้อภัยเขาก็เรียกว่าเป็นอินเป็นผมนั่นะก็ไม่อื่นงใจเมื่อมาพูดหลักธรรมะให้ฟังโยมไม่ชอบโอ้คุณบัจชีทำได้ทำไมมันทำไมาได้แต่เมื่อยังเป็นปุถุสุด เมื่อเรารู้ทำเห็นทำก็ทำได้เหมือนกันกันกบพระพุทธเจ้าชื่ว่าเป็นภาริยะบุคคลคนใดเห็นจิตเห็นใจในขณะรมในขณะพูดในขณะขคิดเขาลบตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้นั่นแหละคือเป็นภาริยบุคคลพระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ดีแล้วทุกต้องกาหนดรู้สมุทัยต้องละมักต้องเจริญนิโรธ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 ต้อง ท, lives, ทําบ so ่อยๆทําบ่อยๆเขาเรียกว่าเจริญถ้าทําอย่างนี้มันไม่หย so ุดเอามือมาโค้งหัวมือโคกงหน้าผากมาด้วยกันคคกๆพอเดินมาเก็บนี่ปุ๊บมันวางคขาคิดเลยเนี่ยสมุทัยส่องละมันเป็นวิธีง่ายๆดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนหลักธรรมศาสติศึกษาธรรมะกับธรรมชาติว่ามันไม่รู้มันไม่รู้มันจึงทําไปอย่างนั้นทําไปอย่างนั้นแล้วคนนั้นรู้จิรู้แบบไม่รู้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 กับทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่ง น, นั้นแล้วจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายหให้พวกเธอทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี้รู้อะไร <mm เห็นอะไรก็รู้กายรู้ใจรู้กายกายเป็นอยมานบ้านธรรมะเลยวรู้ลูกรู้น้ําภาษาบ้านจะ ร, รู้กายรู้ใจเลยไม่เป็นอย่างนั้น รู้ทำไมรู้จักมันทำรู้จักมันพูดรู้จักมันคิดเป็นสามปิดกพูดให้ฟังอย่างนันลัดสามปิดกคือพระสูตรพระวินัยสาย พ, าพิธรรมพระสูตรตันตปิดกสองมืหนึ่งพันพธรรมขันพระรพวินัยปิดกสองหมืหนึ่งพันพธกรรมขันรวมเป็นสี่หมืสองพันพันธรรมขันพระอธิธรรมปิดกเดียวสี่หมืสองพันพันธกรรมขันรวมเป็นแปดหมี่พันพันธรรมขัน